ขอนอมน้อมต่อคุณพระรัตนไตรเขาอากาศพระจันทร์ไพศาลพระเถลานุเถละเพื่อนสัตยรรมิกทุกทุกท่านาจเริญในธรรมม่ชี้และญาติธรรมทุกท่านเอเมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์ทำบัตเชาไปแล้วนะเนื้อหาในการทำบัตเชา <c oughs> ส่วนใหญ่ <c oughs> ก็จะชี้ให้เราเห็นว่าเออเมื่อกี้ที่เราสวดไปก็มีความที่เรา อความแก่เป็นทุกข์นะอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละเป็นความทุกข์ที่เห็นชัดๆเลยนะทั้งการธรรมชาติแล้วก็บรรสนมพิเศษสิ่งเหล่านี้นั่นแหะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเน้นเอาไว้ให้เราเห็นนะว่าความที่เรามีความทุกข์นี่แหละมันมีความทุกข์อยู่ในขันห้านี้นะอุปทานในขันทั้งห้าเนี่ยก็คือความทุกข์นั่นเอง ขาดทั้งห้าก็คือกายและใจนะ่ะหรือรูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคือรูปและนามคือกายและใจเนี่ยมันเป็นทุกข์นะสิ่งที่เราเห็นก็คือกายของเรานะกายเราเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันนี้ไม่พ้นหรอกที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาสํานึกอยู่เรื่อยๆนะว่าเรานี้ไม่พ้นนะ ถ้าเรานึกอย่างนี้บ่อยๆเราก็ไม่ประมาทในชีวิตเรานะว่าเราเกิดมาแล้วต้องไปแบบนี้แบบนี้นะต้องตายทุกๆคนนะครั้งนี้นะนอกจากว่าเออความทุกข์ในทางเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุกขประทำประจําสังขารนะเราหลีกไม่พ้นเนี่ยมันนี้ไม่พ้นหรอกไม่มีใครหนีพ้นก็คือมันแก้ไขไม่ได้ในตรงนี้แล้วก็ความทุกข์ในทางกายอย่างหนึงก็คือความทุกข์ที่จรมา <c oughs> ความทุกข์จรมาอย่างเช่นเรามีความหิวน ะ, ะ <c oughs> การปวดเมื่อยเนี่ยเรานั่งนานๆก็ปวดเมื่อยแล้วน ะ, ะความเจ็บความป่วยความง่วงเหงาเหานอ น, อนต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์จรมาชั่วคราวนะแล้วเราก็แก้ได้ชั่วคราวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้ถาวร น, นะหิวเราก็ไปรับประทานอาหารก็หายหิวแต่ปรเดี๋ยวก็หิวใหม่นะ เมื่อเจ็บปวดนะเราก็ลุกไปเปลี่ยนอีบทนะแต่ประเดี๋ยวอไปเปลี่ยนบทอีบดนะไปเดินไปยืนแล้วก็ต้องกลับมานั่งมานอนใหม่เนะี <c> ่ย <oughs> สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าแก้ได้ชั่วคราว <c oughs> ไม่ได้แก้ถาวร <c oughs> เพราะฉะนั้นความที่เรามีความทุกข์ในทางกายเนี่ยมันมันแก้ไม่ได้หรอกใช่ไหมมันแค่บรรเทาตรงนั้นเองนะมันแก้ไม่ได้ <c oughs> มันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตอยู่แล้วนะไม่มีใครหนีพ้น ส่วนความทุกข์อีกประการหนึ่งคือความทุกข์ในทางใจความทุกข์ในทางใจมันจะแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ต่างๆความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความอิจฉาความหึงหวงความเหงาความเครียดความกลัวความกุมใจความหนักใจต่างๆมันก็แสดงออกมาในอารมณ์เหล่านั้นนี่ก็เป็นความทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่า าการที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยเราก็มีความทุกข์นะพัดพาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์นะก็พวกนี้ก็คือความทุกข์ในทางใจทั้งหมดเลยนะความทุกข์ในทางใจนี่นะมันแก้ได้ไหมนะความทุกข์ในทางใจนี่สามารถที่จะแก้ได้นะยกตัวอย่างเช่นพระละหันเนี่ยพระละหันนี่ท่านสามารถที่จะแก้ความทุกข์ในทางใจของท่านได้แล้วนะ เพราะนั้นท่านจะมีความทุกข์ในทางกายเท่านั้นส่วนทางใจท่านก็ไม่เป็นไรท่านก็ออกจากความทุกข์ในตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นพระอหันนี้จึงมีความทุกข์แต่ในทางกายเท่านั้นส่วนทางใจท่านไม่มีนเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ก็คือแก้ในความทุกข์ทางใจเพราะคนเราแล้วจริงๆเรามีความทุกข์ทางใจมากกว่าทางกายอีกนะคนเรามีความทุกข์เนี่ยทั้งนั้นเลยก็จากความที่เรามี ใจในเป็นทุกข์ถ้าใจแล้วไม่ทุกข์แล้วมันก็แทบจะไม่มีความทุกข์อะไรแล้วเพราะความทุกข์ทางกายมันแก้ไม่ได้หรอกเพียงแต่เราให้เป็นหน้าที่ของหมอไปนะอย่างเวลาเราไปโรงพยาบาลเราเจ็บใครได้ป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เกี่ยวความทุกข์ทางกายไว้หน้าที่ยงหมอเท่านั้นเองนะไม่หน้าเทียงเราส่วนหน้าเทียงเราก็คือแก้ความทุกข์ทางใจเราไปโรงพยาบาลแล้วก็ทําใจให้ถูกต้องเราก็ไม่ทุกข์นะเพราะนั้นถ้าเราไปโรงพยาบาลเนี่ย เราสามารถทําใจให้ถูกต้องเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพื่อเรามีหน้าที่แก้ความทุกข์ทางใจเท่านั้นเนี่ยถ้าเราวางใจได้ถูกต้องเราก็สามารถทําได้นะคราวนี้ความทุกข์ในทางใจในพวกเราแก้ไม่ได้หรอกในขณะนี้นะมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะระยะนี้ก็คือระยะที่เราจะฟูมฟักให้มันมีวุฒิภาวะในทางใจที่สูงขึ้นนะคนเราสมากุติภาวะในทางใจมันไม่พอมันก็มีความทุกข์ บางทีคนเข้ามาดา่าเรามานินทาเรามาตําหนิเราเล็กเล็กน้อยๆนะเราก็โกรธแล้วนะหรือบางทีไม่ต้องเป็นคําพูดหรอกแค่เขามองด้วยสายตาเขาค้อนเราเขาท่าทางเขาเมือนก็ดูหมิ่นเหยียดยามเราเราก็มีความโกรธมีความทุกข์แล้วนนี่เขาเรียกว่าวุ ธ, ธิภาวางเรายัางน้อยไปนะเพราะว่าเราสามารถเป็นคนที่โกรธง่ายๆนะี่อันเนี้ยมันเกี่ยวว่าเรายังไม่มีวุท ธ, ธิในทางใจเพียงพอนะ เหมือนกัดถ้าเราเป็นผู้ใหญ่จริงเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตว่าเออสมัยเราเด็กนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็ไปสนใจไปยึดในสิ่งเหล่านั้นนะอย่างเช่นของเล่นสมัยเด็กๆนะออตุ๊ ก, กตาบ้างลู ก, กฟุตบอลบ้างต่ออางๆเหล่านีเออ้เราก็ไปแย่งกันเล่นนะใครเอาของเราไปเราก็ไม่พอใจบางทีเราร้องห้นะ <c oughs> โดนขโมยของเล่นไปล้วก็ อร้องไห้นะอั่นั้นก็เป็นอารมณ์ของเด็กๆนะที่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่ว่าไปยึดในสิ่งที่ไม่ควรจะยึดแต่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่สนใจในสิ่งที่เราเป็นเด็กๆอย่างอย่างนั้นแล้วนะอของเล่นสมัยเด็กๆเราก็ไม่สนใจแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วนะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่ะผู้ใหญ่ก็คือผู้ที่มีวุฒิภาวะเพียงพอในความเป็นผู้ใหญ่เพราะนั้นเมื่อเรามีวุฒิภาวะในทางใจเพียงพอเราจะเห็นว่า ความโกรธเป็นต้นนะมันก็เป็นเรื่องของเด็กๆนะเป็นเรื่องของสมัยที่เด็กๆที่เขายังสนใจในสิ่งเหล่านั้นอยู่นะแต่เมื่อเรามีวุธิพอเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยความโกรธทั้งหลายแหละมันเป็นเรื่องของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเพราะฉนั้นพระหัต์หรือพระระยาเจ้าในท่านสามารถทจะละได้แล้วเนี่ยเพราะท่านมีความสามารถเพียงพอที่จะเข้าใจชีวิตจิตใจของท่านเองนะการที่เรามาแบบปฏิบัติธรรมก็คือเรากลับมารู้จัก จิตใจของเราเองให้เพียงพอเท่านั้นนะวุทธิภาวะที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าเรามารู้จักจิตใจเราได้ดีเพียงพอไหมว่าเราเป็นคนอย่างไรนะเป็นคนมีความโลภ ค, ความโกรธความหลงนะมีความรักความชางังความอิจฉาความหึงหวงนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเป็นอารมณ์ของผู้ที่ไม่มีวุท ธ, ธิภาวะในทางใจนะเป็นผู้ที่ไม่เคยที่จะกลับมาศึกษาจิตใจตัวเราเอง การบัตรธรรมทั้งหมดก็คือการที่เรากลับมาศึกษาจิตใจของเราเท่านั้นเองนะว่าเราเป็นคนอย่างไรนะรู้จักตัวเราเองให้แน่ชัดรู้จักก็เราเป็นคนอย่างไรกันแนนะ่เมื่อเรารู้จักตัวเราเองอย่างแน่ชัดแล้วนะเราจะเข้าใจตัวเราเองอย่างชัดเจนนะการที่เราเข้าใจตัวเราเองอย่างชัดเจนนั่นแหละคือการบัติธรรมนะเหมือนกับสุภาษิตโบราณบอกว่า ถ้าเราเข้าใจเหยือกน้ํานะเพียงเหยียดเดียวเราจะเข้าใจเหยือดน้ําทั้งหมดในโลกนี้นะเพราะนั้นเพียงแต่เราเข้าใจจิตใจเราเองให้ชัดเจนเราจะเข้าใจจิตใจคนอื่นได้ด้วยนะเราจะเห็นเออทําไมเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เราจะเข้าใจเขาเออทาไมเขาจึงโกรธในกรณีนี้เราจะเข้าใจทันทีนะหรือเขาแสดงอาการแบบนี้เพราะเหตุอะไรเขาจึงแสดงอาการแบบนั้นนะไม่ต้องพูดเราก็เข้าใจแล้วนะบางที เราเห็นหน้าปุ๊บเราจะรู้เลยว่าใครมีอารมณอย่างไรนะเพราะเรามีความชำนาญในตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างนะสมัยโบราณเขามีอยู่เยอะเลยในการที่จะมองอาการกิริยาต่างๆแล้วเขารู้เขาไม่ต้องถามก็รู้ได้นะเพราะาเขาสามารถที่จะเข้าใจอารมณ์แต่ละคนได้เนี่ยมันจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนในทางใบหน้านะเพราะใบหน้านี่เป็นกระจกของจิตใจนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นอย่างไรนะ แต่ประการสําคัญนะอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าความทุกข์อย่างที่ว่านะความทุกข์ทางด้านจิตใจเนี่ยเรายังแก้ไม่ได้นะสาเหตุของความทุกข์ทั้งหมดนะก็มาจากความเกิดนั่นเองนะความที่เราทุกกายทุกใจก็มาจากการที่เราเกิดเนี่ยถ้าเราไม่มีความเกิดนะเราก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมามีความทุกข์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะ พระพุทธเจ้าได้ทรงบอกไว้ว่าสิ่งที่เป็นประเสริฐในโลกนี้นะความประเสริฐที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะก็มาจากความประเสริฐสี่อย่างก็คือความได้เกิดมาเป็นอาตาภาพของมนุษย์นมนุษย์โฉอการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้นะเป็นความที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะและการที่เกิดเป็นมนุษย์นี้จริงๆแล้วมันก็ยากยิ่งด้วย ได้ทรงปีบเทียบอย่างนี้ว่ามันก็เต่าตาบอดตัวหนึ่งนะอ่าต่อร้อยปีเนะี่ยจึงจะโผล่หัวขึ้นมาบนหมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งและบนหมหาสมุทรนี้ก็จะมีล้อเกวียนเนี่ยล่องลออยู่นะต่อเมื่อเต่าตาบอดตัวเนี่ยสามารถโผล่ขึ้นมากางล้อเกวียนได้เมื่อไร่นั่นแหละคือการได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะ เพราะว่าอย่าว่าแต่เต่าตาบอดเลยให้เต่าตาดีๆก็ไม่รู้ว่าลอบเวียนอยู่ที่ไหนอมันในมาส่วนกว้างใหญ่นั้นมานะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็ทรงอใช้เล็บในช้อนฝุ่นติดปลายเล็บขึ้นมาแล้วก็ถามาพระภิกษุทั้งหลายว่าดูกนภิกษุทั้งหลายฝุ่นที่ติดปลายเล็บเรากับฝุ่นในมหาปฏิพีอย่างไหนจะมากกว่ากันพระภิกษุก็ตอบว่าฝุ่นที่ติดปลายเล็บของพระพุทธองค์ไม่อาจจะเทียบกับฝุ่นในมหาปฏิพีได้เลย พระเจ้าบอกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นผู้ที่าตายจะกําเนิดต่างๆจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดไปเล็บของเราเท่านั้นส่วนสัตว์ที่ไปกําเนิดไปเกิดในกําเนิดอื่นนั้นมีมากเท่ากับฝุ่นในมหาปฏภนะนะีนะเป็นสิ่งที่ว่าเออเราถ้าเราฟังให้ดีนะเราจะเห็นว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากมากขนาดไหนนะ อันนี้เนะี่ยภพภูมิจริงๆนะมีถึงสามเห็ดภูมินะแต่สิ่งที่เราตาเราสามารถมองเห็นได้ก็มีอยู่สองภูมินะคือความเป็นมนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานเนะี่ยสองภูมิเท่านั้นเองแม้แต่ในสองภูมินี้เราก็สามารถเทียบได้แล้วว่าสิ่งไหนจะมีมากกว่ากันนะสัตว์เดรัจฉานนี่มีมากกว่ามนุษย์จนเทียบกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในภพภูมิอื่นอีกมากมายนะมันเทียบก็ไม่ได้หรอกเพราะการที่เราเกิดเป็นมนุษย์นี้นั้นถะือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วนะโชคดีที่สุด ไม่มีลาบบันไดที่จะยิ่งใหญ่ประการได้เกิดเป็มนุษย์นะแล้วทําไมคนเรานะถึงไม่ช่วยโอกาสทองที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้ทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกเลยนะเพราะการจะทําให้ถึงที่สุดแห่งทุกนั้นมันก็อยู่ในอัตภาพของมนุษย์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้ายังต้องมาอ่าตัดสลู้ในความเป็นมนุษย์นี้เลยนะ เป็นโอกาสทองของพวกเรานะที่จะได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆเนี่ยทาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดในชีวิตของเรานะให้มันถึงที่สุดทั่งทุกในชาตินี้เลยนะเพราะถ้าเราไม่ทำตรงนี้แล้วเนี่ยภพชาติเราไม่รู้ว่ายาวไปอีกเท่าไหร่นะมันนับภพบนับชาติไม่ทัว่วจริงๆนะพระพุทองค์ทรงยกตัวอย่างอย่างนี้ว่า ถ้าหากว่าเจ้ากองกระดูกของเราในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะน้อยกว่าเขาสุดสิเนเอรุนะเท่าน้ําตาในแต่ละชาติที่เราหลั่งไหลมาก็ยังน้อยกว่ามหาสมุทรหรือเท่าต้นข้าวในชมพูทวีมาทําเป็นกำกำละสีเนิ้วก็ยังน้อยกว่าพบชาติที่เราเกิดมาหรือผู้ที่ไม่เคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันไม่มีนะเพราะพวกเรามีพบชาติเป็นยาวนานเราเคยเกิดเป็นญาติพี่น้องกันมาทั้งสิ้นนะ พบชาติมันยาวขนาดนั้นนะเนี่ยแล้วการเกิดมนุษย์นี่มันโอกาสช่วงสั้นๆแว๊บเดียวเท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับเวลาในจกักรวาลก็เท่ากับแค่ฟ้าแับแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะมันสั้นๆเท่านั้นเองนะเป็นโอกาสทองแล้วนะที่เราจะใช้เวลานี้ในการที่เราจะทําให้กิเลสในใจเราให้หมดไปเพื่อความสิ้นทุกขจากวัตถุสงสารนี้นะพกภัยใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะ บางคนบอกว่าขณะดนี้กำลังกลัวกันมากก็คืออุอท ก, กภัยนะแม้แต่แผนที่ออกใหม่บอกว่าภาคใต้ของเรานี่หายไปเกือบหมดนะบางจังหวัดก็หายไปเหลือแค่ไม่กี่อไม่กี่ภาคเท่านั้นเองที่เหลืออยู่นะเป็นเป็นภัยใหญ่นะอุท ก, กภัยวาตภัยออักคีภัยโจละภัยราชภัยหายณะภัยต่างๆภัยพิบัติต่างๆโอ้หน้ากลัว แต่ความน่ากลัวของภัยทั้งหมดรวมกันนะก็ยังน้อยกว่าภัยในวัตถงสารเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่านะตรงนี้เราต้องใช้ประโยชน์อย่างไรที่เราได้เกิดมาเป็นอนุภาพนี้แล้วนะแล้วครา้นี้เนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็มีชีวิตรอดอยู่อีกนะผู้ที่เกิดก่อนเราเนี่ยก็ตายไปก่อนเราเนี่ยต้องเยอะแยะแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีเป็นอันดับที่สองแล้วนะอันดับที่สามกนะ็คือได้พบพระพุทธศาสนานะ ผู้ที่พบพุทธศาสนานี่จริงๆแล้วเนี่ยมีน้อยนะไม่ใช่ว่ามีเยอะผู้ที่เกิดในเมืองไทยไม่ต้องเกิดในต่างประเทศหรอกผู้ที่เกิดในเมืองไทยที่ยังไม่พบพุทธศาสนาเ น, นี่ยก็มีอยู่เยอะมากอเรา <c oughs> เราได้พบพระพุทธศาสนานแล้วนะตรงเนี้ยถือว่าเราโชคดีแล้วครั้ น, นี้เมื่อพบพระพุทธศาสนานแล้วประการสุดท้ายที่ถือว่าเป็นความโชคดียิ่งใหญ่ในชีวิตเราก็คือได้ฟังทำอันประเสริฐเหล่านั้นนะและได้ปฏิบัติทำด้วย เนี่ยเพราะว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราพบพเฉยแต่เราก็มาฝึกมาอบรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิเลสในใจของเราเนี่ยลดน้อยลงเพื่อให้วุฒธธิภาวะในใจเราเนี่ยสูงขึ้นรู้จักตัวเองรู้จักจิตใจของเราอย่างดีนะเมื่อเรารู้จักจิตใจของเราเองอย่างดีแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆนะที่เราเคยคิดมันยากมันก็จะง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้งุหงิดขี้เหงาขี้กลัว เราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆมากเลยมันไม่มีสาระอะไรเลยนะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะเพราะว่าเมื่อเราโตแล้วนะเราจะไม่ไปแย่งของเล่นกับเด็กอีกต่อไปนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมกันนะยิ่งเราสามารถที่จะรู้จักนะจิตใจของเราได้เองเท่าไหร่เองนะสติเราจะยิ่งเกิดตามมาเท่านั้นนะแต่การที่เราจะรู้จักจิตใจของเราได้เองเราก็ต้องเห็นมันก่อนนะ สามารถที่จะเห็นจิตใจของเราเกิดมาเป็นอย่างไรการที่เราเห็นนั้นนะก็เกิดจากการที่เราต้องมีสติก่อนนะมีสติที่จะกลับมารู้นะว่าขณะนี้เรากาลังทาอะไรอยู่ขณะนี้กำลังคิดอะไรอยู่นะสติปัฏฐานสี่ก็เริ่มด้วยทางกายก่อนนะกายเวทนาจิตธรรมเริ่มด้วยทางกายก่อนทางกายก็เริ่มตั้งแต่การที่รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เรียกว่าอาาปานาสติ ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้นะเป็นการรู้ทางกาย <c oughs> เมื่อรู้ทางกายแบบนี้แล้วเนี่ยจิตใจก็ไม่ไปไหนนะจิตใจก็มีเครื่องอยู่อยู่กับลมหายใจประการต่อมาก็ให้รู้ในอิบทใหญ่นะอิบทใหญ่ก็คือการที่เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนะให้รู้ไปตามแบบนั้นนะ การต่อมาก็ให้รู้ในอีบบทย่อยก็เรียกว่าเป็นสัมปชัญญะรู้ว่าขณะนี้นะ่ะกำลังทำอะไรในสิ่งเล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยู่นะเด่มกินพูดคิดคู่แขนเหียดแขนก้มเงยนะยกมือนะต่างๆรู้ทันในกีบบทอะไรบทย่อยต่างๆนะก็เป็นการรู้ไป สรุปแล้วก็คือการรู้กายนั่นเองนะรู้นะยืนเดินนั่งนอนมีบทใหญ่รู้บทย่อยต่างๆกระพริบตาหายใจอ้าปากทั้งหลายแหล่นะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะรู้เนะี่ยเพราะการรู้กายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ว่าเราสามารถรู้ได้ง่ายนะอรู้ได้ง่ายนะเป็นของใหญ่ของยากรู้ได้ง่ายเมื่อรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่หลงนั่นเองนะเพราะคนเราเนี่ย ความหลงนะก็คือการที่เราไม่รู้ว่าขณะนี้เรากําลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังนั่งกาลังย <|ja|> ืนกําลังเดินกําลังนอนนะไม่รู้อาการในทางกายไม่รู้อาการในทางใจไม่รู้ว่ากําลังคิดนกำลังโกรธกาลังรักกาลังชังกําลังโลภกําลังหลงต่างๆไม่รู้อาการทางกายและทางใจเนี่ยเ้าเรียกเป็นคนหลงนะส่วนมากคนเราเนี่ยจะหลงกับทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครไม่หลงหรอกนะ มันมีแต่ว่าหลงมากหรือหลงน้อยนะคนที่ไม่มีสติเนี่ยจะหลงทั้งวันนะบางทีทั้งวันเนี่ยไม่รู้เลยว่ากําลังทําอะไรอยู่ะกําลังคิดก็ไม่รู้เลยว่ากำลังคิดอยู่ทั้งๆที่คิดเนี่ยมากมายแต่ก็ไม่รู้กําลังคิดอยู่เขาเรียกว่าเราหลงทั้งวันนะแต่สิ่งที่ตรงข้ามมาตัวหลงก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้เกิดความรู้ขึ้นมาได้นะความรู้ในทางกายเนี่ยง่ายๆที่สุดเลยเรารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่ขณะนี้เท่านั้นเองนะ รู้ทางกายเท่านั้นเองมันจะไปรู้ในทางใจได้ด้วยความรู้ในทางใจ น, ะนะั้นเมื่อเรารู้ในทางใจบ่อยๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ชํานาญในด้านจิต ด, ด้านใจของเราเองะอเมื่อเรารู้ทันความคิดเราจะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ด้วยเห็นขณะนี้กํลาลังโกรธนะกํลาลังรักกําลังชังเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนเลยเมื่อเราเห็นแล้วผลที่ตามมาก็คืออะไรก็คือเราจะไม่เป็นเป็นผู้เข้าไปอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนะ อย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคนเข้ามาด่าเราเนี่ยเราจะโกรธเป็นส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนเนี่ยจะโกรธจะไม่พอใจเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้เป็นความโกรธนะเป็นผู้โกรธเป็นผู้โกรธไปนะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ง่ายนิดนึงก็คือความโกรธนี่เป็นเลขห้าก็แล้วกันนะอคนก็มาด่าเราปุ๊บเราก็จะเกิดเลขห้าเกิดขึ้นเลยก็คือมีความโกรธทันทีเป็นผู้เป็นผู้โกรธทันทีเลยนะ แต่เมื่อเรามีความชํานาญในด้านจิตใจแล้วเมื่อคนเข้ามาด่าเราปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเลขหนึ่งแล้วล่ะนะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามก็คือเราจะเห็นขนาดนี้กาํกาลังหงุดหงิดกำลังเกิดขึ้นแล้วหงุดหงิดเนี่ยอ่ากาลังไม่พอใจกาําลังขัดเคืองเกิดขึ้นแล้วนะเห็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสาว่าเราค่อยถึงเลขห้าเนี่ยจากเมื่อก่อนที่เราปุ๊บเอ่อใครมาด่าล้วปุ๊บเราไปเลขห้าหทันทีเลยแต่เมื่อเรามีวุฒิทางใจขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเห็นอ่า ความหงุดหงิดความขัดเคืองความไม่พอใจก่อนซึ่งคือเลขหนึ่งเลขสองเลขสามก่อนพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมันภาวะมันก็เปลี่ยนจากการเป็นผู้เป็นมากลายเป็นผู้ดูผู้รู้ไปนะเปลี่ยนมาเลยเออขณะนี้กำลังหงุดหงิดแล้วนะกาลังขัดเคืองแล้วมันรู้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เข้าถึงเลขห้าหรอกก็คือไม่เข้าถึงความโกรธหรอกนะเพราะมันเริ่มเห็นแล้วจากการเป็นผู้เป็นก็กลายเป็นผู้ดูนะผู้รู้ไปนะมันก็ไม่เข้าไปในอารมณ์ต่างๆ เนี่ยบัเกิดจากการที่เรามีความชำนาญในด้านจิตใจนั่นเองนะเราสามารถที่จะสังเกตอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นสังเกตอาการของจิตที่มันกระเพื่อมได้เร็วขึ้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสติแล้วนะสติก็คือการที่เราสามารถระลึกได้ระลึกรู้ว่าขณะนี้เรากำลังมียลมอะไรอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยนะเพราะสามารถเพราะเมื่อเราสามารถเห็นเลขหนึ่ง ได้แล้วเราจะเห็นเลขหนึ่งทุกๆลมนะเราก็ไม่เข้าสู่เลขห้าของทุกๆลมได้เหมือนกันนะตรงนี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่สาคัญว่าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้ไหมนะเพราะนั้นบางคนปฏิบัติธรรมมาต้องนานแล้วนะเป็นสิบสิบปีก็มีแต่สังเกตได้ไหมว่าเขาก็ยังมีความโกรธอยู่เป็นคนขี้งูดงิดนะเป็นคนที่เรียกว่าเจ้าลมนะอันนั้นไม่รู้เขาปฏิบัติธรรมอย่างไรนะ รูปแบบการปฏิบัติธรรมใครๆก็ทําได้นะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำได้ทุกคนแต่ทําแล้วผลในทางจิตใจเป็นอย่างไรสามารถพิสูจน์ได้ตรงนี้เห็นชัดๆเลยว่าเขามีอารมอะไรนะถ้าเขาปฏิบัติมานานแล้วยังมีเจ้าตวาัวหัสะเจ้าอารมณขี้งุ่นหิดขี้ลาคาญต่างๆเราก็เห็นผลเขาได้ว่าเขาปฏิบัติมามีผลเป็นอย่างไรนะไม่ต้องว่าเขาปฏิบัติได้ดีแค่ไหนแล้วไม่รู้หรอกแต่เราตรงนี้สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติมาแล้วนะเราก็ต้องสังเกตตรงนี้ให้ชัดว่าเรามีวุติภาวะในทางจิตใจเนี่ยโตขึ้นมาไหมอารมณ์ต่างๆในอยู่ในใจเราได้นานไหมนะบางคนเนี่ยคนเข้ามาด่าลราแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้เรากดเป็นบันๆเลยนะนอกจากะเป็นวันๆแล้วบางทีก็ปลูกปัจพยาบาลอาฆาตไปด้วยนะเป็นความอาฆาตแค้นไปเนี่ยก็แสดงว่าจิตใจของเราเนี่ยยังอ <c oughs> ยังปฏิบัติยังไม่ได้ผลนะ แต่ถ้าเราไปบัตรได้ผลจริงๆแล้วเราจะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้เร็วมาลุงอยบุตรนได้ถามพระเจ้าว่าเ อ, อข้าพระองค์อายุมากแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรจรึงได้ผลเร็วพระเจ้าบอกว่ามาลุงอยบุตรเธออย่าไปเพลินในรลบต่างๆให้ละลบต่างๆให้เร็วเหมือนกับกระพริบตาฉั น, นั้นก็คือคนเราเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะเพลินไาในลบต่างๆ เพลินไปในความยินดียินล้ในความโลภความโกรธความหลงความรักความชังต่างๆมากมายนะคนเราเนี่ยแสดงว่ามีความติดความยึดในลมต่างๆอยู่มันก็เด็กแย่งของเล่นกันนะครณ้นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ละความเพินในลมต่างๆให้เร็วเหมือนกับกระพิบตาฉันนั้นการที่เราจะละความเพินก็คือเราต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ก่อนเออขณะนี้เรากำลังมีลมอะไรนะ พอเรารู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะถอยมาเป็นผู้ดูได้ทันทีเลยแล้วเมื่อเราถอยมาได้เร็วเท่าไหร่มันยิ่งกลายเป็นว่าเราละได้เร็วเท่ากับภิกตาชั้นนั้นนี่แหละมันจะตรงๆในตรงนี้เล ย, เลยกลารปฏิบัก็คือเราสามารถรู้เห็นไหมว่าขณะนี้นะเรามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันไหมรู้ทันแล้วกลับไปเป็นผู้ดูได้ไหมพอเป็นผู้ดูปุ๊บอารมณ์ต่างๆก็อยู่ในใจเราไม่ได้จากการที่เรารู้ทันบ่อยๆนั่นแหละ มันจะทําให้วุฒิภาวะในใจของเราโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นเรื่อยๆจนเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนะมันจะมองโลกแล้วมันก็จะอยู่เหนือโลกมันไม่ได้อยู่ในโลกอย่างเมื่อก่อนนั้นนะเราจะมองโลกโอมันเป็นแบบนั้นเองนะมันไร้สาระจริงๆความโลภความโกรธความหลงนี้มันไร้สาระจริงๆนะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะตรงเนี้ยมันจะเป็นการถอดถอนกินเลสในใจเราทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อ ย, ะะ น, อยนะอันนี้นะ มีสมัยหนึ่งมีผู้ถามพู้เจ้าว่าออปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยะจะรู้ได้อย่างไรว่ากิเลสมันลดลงพว้เจ้าทรงเปก็บเที่ยงนี้ว่าเหมือนกับช่างไม้ที่เขาใช้เครื่องมือช่างเช่นขวานต่างๆเป็นต้นเนี่ยเมื่อใช้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเขาไม่รู้หรอก่าดมขวานมันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อใช้ไปนานๆก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าดามขวานมันสึกไปจนเห็นได้ชัดเจน เพราะนั้นการที่เราจะละกิเลสได้มากหรือได้น้อยนะมันไม่ใช่ว่าละอย่างฉับพลันทันทีนะไม่ใช่เคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์มาท่านปฏิบัติธรรมปุ๊บแป๊บเดียวท่านสามารถบรรลุธรรมเห็นโลกนี้ลาบเป็นหน้ากองกิเลสหายไปจากจิตใจหมดสิ้นนะแต่ว่าวิธีการจริงๆก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะละกิเลสไปได้ตามลาดับนะค่อยๆละค่อยๆละไปตามลาดับนะ เราสังเกตไหมปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสักปีสองปีเนี่ยความโกรธเราค่อยๆน้อยลงไปไหมความไม่พอใจต่างๆน้อยไปไหมความโลภความโกรธความหลงมันร้อยน้อยลงไปไหมนี่แหละเขาเรียกว่าละไปตามลําดับแล้วนะการละไปตามลําดับก็เหมือนกับด้ามขวานที่มันสึกไปโดยที่เราไม่รู้มันสึกไปวันละเท่าไหร่แต่ในที่สุดมันก็แสดงการสึกให้เราเห็นชัดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งเราให้สังเกตตรงนี้ว่าเออ สิ่งต่างๆมันน้อยจากใจเราไหมนะเนี่ยตรงนี้เป็นการที่เรียกว่ามันละกิเลสไปตามลําดับและเมื่อปฏิบัติไปอย่างถูกต้องสิบปียี่สบปีมันก็ค่อยๆลดน้อยไปเรื่อยๆลดน้อยไปเรื่อยๆจนในสุดมันก็หมดไปนี่แหละเขาเรียกว่าละกิเลส ต, ตามลําดับด้านขวานศึกไปตามลําดับเพราะฉนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่าเราอนะ่จะได้มีกําลังใจว่าเออปฏิบัติมาตั้งนานแล้วทํำไมไม่มาลุชับพันเหมือนครูบาอาจารย์สักทีหนึง่งนะทำไมกิเลสไม่ละไปหน้ากอสักทีหนึง่งไม่จําเป็นนะ ตรงนั้นจะทําเราไม่มีกําลังใจแต่ถ้าไปปฏิบัติแล้วเออมันค่อยๆน้อยไปนะเรารู้ทันไปเรื่อยๆนะอรู้เล็กรู้น้อยไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยๆน้อยลงไปนี่แหละมันนี็ค่อยๆลดน้อยไปเองนะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจนเราไม่รู้ตัวเพราะเราสังเกตดูไหมว่าสมัยก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติธทำกับทุกวันนี้มันต่างกันไหมนะเมื่อก่อนเราก็ทุอข์เลนิดหน่อยก็งุนงิดนะโกรธลาคาญไม่พอใจเจ้าอารมณ์แต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเราก็สบายขึ้นนะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เออไม่เป็นอะไรนะมันไม่ค่อยยึดแบบสมัยก่อนแล้วความโกรธมันก็เบาๆลงอืใครก็มาอะไรเราแล้วก็เฉยๆเราก็ไม่ค่อยที่มีปัญหาอะไรใครนี่มันเป็นสิ่งเราสามารถสังเกตได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการที่เราปฏิบัติธรรมอันนี้แหละนี่เขาเรียกว่าละไปตามลําดับแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วพระนิพพานก็ไม่ได้อยู่ไกลถึงขนาดนั้นหรอกนะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหน คนเราเนี่ยไปตั้งเป้าหมายบางทีตั้งผิดนะว่าต้องถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานแต่ว่าไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราตั้งอย่างนี้ได้ไหมที่มันง่ายกว่าว่าเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อความที่ให้มันหมดทุกข์ดับทุกข์หรือให้ความทุกข์น้อยลงนะตรงนี้นั่นแหละถ้าเราตั้งว่าเออเราปฏิบัติเพื่อให้ความทุกข์น้อยลงแล้วเนี่ยการบำเพ็นี่จะง่ายมากเลยนะง่ายมากๆแล้วโอกาสที่ทุกข์จะน้อยลงก็มีอยู่ด้วยนะมีอยู่ด้วยนะความโลภความโกรธความหลงอย่างที่ว่ารมทั้งหลายเมื่าะ แค่มันลดลงในความทุกข์ก็น้อยลงแล้วนะเพราะเมื่อมันน้อยลงนะพระนิพพานก็ไม่ได้อยู่ไหนก็อยู่ใกล้ๆนี่เองะอยู่ใกล้ๆนี่เองเพราะฉะตรงนี้นะ่ะก็คือเราได้ใช้เวลาทองเวลาที่เราได้เป็นอัตภาพนะมามีอัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยว่าเราจะใช้เวลาทองในตรงนี้ทํานำะให้ประโยชน์ตรงเนี้เกิดความสูงสุดได้ไหม ให้กิลเลสมันลดลงได้ไหมให้อารมณ์ต่ตางๆมันลดลงไปได้ไหมเพราะเมื่อมันลดลงไปแล้วเนี่ยอารมณ์ต่างๆมัน ล, มมลดไปแล้วกิลเลสมลดไปแล้วภพชาติมันลดตามไปด้วยนะ mm. จากภพชาติที่ยาวไกลมันเป็นเขาสิเนลุนั่นแหละมันจะลดลงลดลงจนท่าจะเหลือแค่เจ็ดชาตินะเจ็ดชาตินะเหรือจะเหลือแค่สองชาติสามชาติเหลือใจแค่ชาติเดียวชาตินี้เป็นชาติสุดท้า ย, ยาเราก็ได้เพียงแต่ว่าเราวางใจตรงไหมนะเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาพิจารณาดู เราจะได้ไม่เกิดมาเสียเวลาเปล่าๆนะอืเข้าเวลาเอสิ่งต่างๆที่สําคัญในโลกนี้ก็คือเวลา <c oughs> เวลานั่นเองนะเวลานี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราทุกวันนี้นะไม่มีอะไรจะมีค่าเท่ากับเวลาเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีอนะถามว่าเออเรามีสติแล้วหรือ ย, ยังนะเรามีอวุฒิภาวะในทางใจเพียงพอไหม <c oughs> <c oughs> กินเลยแล้วลดลงไปบ้างๆไหมนะ เวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะมันมันกืนกินสรรพชีวิตกืนกินสิ่งต่างๆในโลกนี้ร่วมทั้งกินกินตัวเราเองด้วยนะเราแก่ทุกๆวินาทีเลยนะขนาดเนี่แก่ไปทุกๆวินาทีแล้วเราใช้เวลาที่เหลือในชีวิตเราซึ่งท่านสั้นต่อไปเนี่ยเราใช้เวลาอย่างไรที่จะคุ้มค่ากับการเกิดมนุษย์ในครั้งนี้นะเนี่ยก็ขอฝากไว้สั้นๆนะสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์แล้วนะเราต้องรู้ทันรู้ทันแล้วก็อย่าไปอยู่ออกับเขานะ ให้มีสติที่จะรู้เท่าทันนะทางกายและทางใจของเราอยู่เสมอมีปัญญาที่จะไม่ยึดติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ยึดมั่นในความเป็นตัวตนของเราตรงนี้จะได้คลายจากความยึดมั่นในตรงนี้ให้ได้นะและในสุดท้ายนี้ขอทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมในที่นี้ทุกท่านนะประสบด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้ในชาตินี้ทุกท่านเทิด